ทางภ่าศิวิไลัยหรือว่าตาดปูทองอ่เป็นเป็นสถานที่ที่ธรรมญาตราได้เลือกนะเป็นจุดหมายปลายทางของธรรมญาตรามาหลายปีเรียกว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมเลยนะของชาวธรรมญาติตราเราเริ่มมาปิดท้ายธรรมญาตราที่นี่นะตั้งแต่ปีห้าสองและหลังจากนั้นก็ มาทุกปีนะจนกระทั่งปีห้าเจ็ดแล้วก็ว่างเว้นหายไปสองปีปีห้าแปดเราก็ไปสิ้นสุดที่อุทย า, ตาตนตัดต้นปีห้าเก้าเราก็ไปนะสิ้นสุดที่บ้านหนองคนไทยใกล้ๆปากตกแล้วก็เชื่อว่านาะชชธรรมญาจารยหลายคนก็คงคิดถึงที่นี่นะแล้วเราก็เลยนะกลับมานะที่นี่อีกครั้งหนึ่ง เลือกเป็นจุดสิ้นสุดของธรรมยาตราครั้งที่สิบแปดและถ้ายังมีครั้งต่อๆไปนะก็คงจะมาใช้สถานที่นี่สำหรับ ก, การสิ้นสุดธรรมยาตราอาจจะไม่ใช่ทุกปีนะแต่ก็คงจะมีบ่ยบอยๆนะที่เรานะเลือกที่นี่นะเป็นจุดสิ้นสุดธรรมยาตราเหตุผลนี้พวกเราก็คงจะรับรู้ได้หรือรู้สึกได้นะ ว่าทำไมจึงควรเป็นที่นี่นะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาตินะอย่างใกล้ชิดทาไมนักพวกเราแล้วนี่รอบตัวเรารวมทั้งข้างบนและข้างล่างก็เป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารของมนุษย์นะไม่มีเทคโนโลยี อย่ามีก็แต่พวกสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะตรงนี้เนี่ยพอเราขึ้นมานะเราก็จะรู้สึกสดชื่นนะความเหนื่อยเมื่อยล้านะหรือความตรักตำทั้งในวันนี้แล้วก็ที่สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันแรกนะมันก็แทบจะมาลายหายไปเพราะเราได้สัมผัสถึงนะพลัง ยาแล้วก็พลังชุบชูรอเลี้ยงทั้งกายและใจนะจากธรรมชาติรอบตัวข้างข้างหน้าเราก็เป็นภูเขาข้างบนเราก็เป็นท้องฟ้าและเมฆข้างหลังเราก็เป็นป่าไม้ถ้าหากว่าเรามาในช่วงเรามาที่นี่สักก่อนหน้านี้เดือนหนึ่ง เราก็ได้ยินเสียงน้ําไหลอันนั้นก็คือน้ํำที่ไหลจากอ่างเก็บน้ําก็คือน้ําที่มาจากภูยอดแล้วก็ภูลงเนี่ยไหลไปสู่พื้นที่ข้างล่างอันตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่หลากหลายทั้งภูเขาตั้งป่าไม้ทั้งลําห้วยรวมทั้งท้องฟ้า นะและอาจจะได้เห็นดวงอาทิตย์นะซึ่งก็เพิ่งรับเหลี่ยมเขาไปแในค่ำคืนเราก็จะได้เห็นนะดวงดาวแล้วก็ดวงจันทร์ตัวแทนของธรรมชาติที่สำคัญเนี่ยนั่นจะปรากฏนะแก่สายตาของพวกเราเนตรงจุดนี้และถ้าเราน้อมใจให้สงบนะเราก็จะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ รอบตัวเราได้อย่างง่ายดายอั น, นนะอื่นใดนะเมื่อพวกเรามาถึงตรงนี้เนี่ยนะความสุขอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราได้มาถึงจุดหมายปลายทางของธรรมยาราซึ่งจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านความเหนื่อยยากผ่านความลําบาก ไม่ใช่แค่ขึ้นเขาลงห้วยเท่านั้นนะแต่บางทีก็ผ่านป่า น, าน้ำต้องเจอแดดร้อนนะอธิษแผดเผาบางครั้งก็ต้องเจอเส้นทางนะที่ยาวไกลนะไม่เคยเดินรนะยะทางไกลๆอย่างนี้บางครั้งก็มีความหิวบางครั้งก็เจ็บปวดเมื่อยลา แล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องนะกระทบกระทั่งนะจิตใจนะเพราะว่ามีหลายสิ่งไว้หลายอย่างที่อาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถูกใจเลยเพราะการที่ต้องเข้าคิวนะหน้าห้องน้ำนานๆนะแค่พอมาถึงนี่เนี่ยนะนะพวกเราต่อมาเชื่อว่านะก็รู้สึกดีใจนะจะเป็นที่ไหนก็ตามนะที่เป็นจุดสิ้นสุดธรรมยตรานะ อย่างเช่นบางปีก็ไปจบที่จังหวัดชยภูมินะบางปีก็ไปจบที่วัดภูเขาทองหรือวัเทียนตักโตอย่างที่ว่ามาก็เป็นความก็รู้สึก ด, ดีใจแต่ก็น่าหน้าถามตัวเองนะว่าเราดีใจเพราะอะไรเราดีใจเพราะว่าเราทำได้หรือดีใจเพราะว่าความลำบากสักทีถ้าหากว่าเรา ดีใจเพราะาเออเราทําได้นี่นะมันจะทําให้เราเกิดความมั่นใจในการทําสิ่งยากครั้งต่อต่อไปเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะว่าเรามีความสามารถมีความอดทนมีศักยภาพนะที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้เราจะเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของตัวเองมากขึ้นเราจะเชื่อมั่นนะในกําลังใจนะ หรือว่าพลังจิตของเรามากขึ้นมันจะเป็นพื้นฐานนะของการดำเนินดำเนินชีวิตของเราในภายภาคหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเราดีใจเพราะเออต่อไป น, นี้จบแล้วไม่ต้องเหนื่อยยากแล้วถ้าแค่นี้เราคงจะไม่ค่อยได้อะไรนะจากธรรมญาตราเท่าไหร่น <Yeah. S 1> ธรรมญาตราเจ็ดวันที่ผ่านมามันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่อสร้างความทุกข์ยากกับเรา โดยที่เราไม่ได้อะไรน ะ, ะกลับมาเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเราเป็นการเดินที่สร้างความทุกข์ให้กับฟราฟรีก็ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดเจ็ดวันนี้มันกลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นฟรีๆนะอันนี้เป็นสำนวนหลวงพ่อคำเขียนเป็นทุกข์ฟรีก็คือทุกข์โดยไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเรา ผ่านความทุกข์ยากมาแล้วเนี่ยเรารู้จักตัวเราเองดีขึ้นเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรามั่นใจและก็เราเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าความยากลำบากนี่มันมันได้หล่อหลอมจิตใจของเราและมันก็ทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถที่แฝงเรนไม่ใช่เป็นความความสามารถทางกายหรือที่สำคัญคือความมุ่งมั่นในจิตใจไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นบทเรียนสาคัญเลยนะนะ ที่จะทำให้เราเนี่ยกล้าทําสิ่งยากครั้งต่อต่อไปนะอันนี้ก็เรียกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดเจ็ดวันนะมันไม่ได้เป็นการทุกข์เปล่าๆทุกข์ฟรีๆแต่ว่าแต่อะไรกลับมานะซึ่งมีคุณค่านะเรียกว่าคุ้มค่าเช่นบางคนจะเพราะว่ามีความอดทนมากขึ้นมีภูมิมคุ้มกันความทุกข์มากขึ้นนะ กลัวความยากลำบากน้อยล ง, ก, ง, ง, งก็คงคล้ายๆกับต้นไม้นะบนป่าหรือว่าเขาลูกเนี่ยอย่างที่วิชัยเล่านะว่าเนี่ยป่าเต่งรังต้นเต่งตงรังต้นเต่งต้นรั ง, นนนนรงเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยนะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะเพราะว่าเขาเจอไฟมาปีแล้วปีเล่ามันทำให้เขาเนี่ยมีเปลือกหนา ที่สามารถจะทนไฟนะโดยที่ไม่ไม่ถึงกับย่ำแย่หรือว่าล้มตายไฟนี่มันทำให้ต้นไม้พวกนี้เข้มแข็งนะแล้วก็อยู่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้ปีแล้วปีเล่าไม่เหมือนกับนะต้นไม้นะที่ผู้หลงนะพวกนี้เนี่ยทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเจอไฟนะ ไม่เจอไฟมานานทีเดียวเพราะว่าเป็นป่าซึ่งมันชื้นนะแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ป่ายังสมบูรณ์มันชื้นมากนะจนกระทั่งจุดไฟเผายังไงก็ไม่ติดนะลมก็ไม่ค่อยเข้าเพราะป่ามันหนานะแล้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยนะวันดีคืนนีพอเจอไฟพอเจอไฟเข้าก็ตายง่ายเลยนะเพราะเปลือกบาง แล้วก็ไม่ได้ถูกประสบการหล่อลลอมให้นะมีเปลือกที่หนาและแข็งแรงถ้านะคนเราเนี่ยถ้าหาว่าเราไม่เจออุปสรรคไม่เจอความยลลําบากเนี่ยนะเราเจอเข้าไปทีเดียวนี่ก็อาจจะเสียศูนย์นะหรือหมดสภาพไปได้ง่ายๆแต่ถ้าเราเจอประสบการณ์นะอยู่บ่ยบอยๆหรือครั้งแล้วครั้งเร่าเนี่ยเราจะเข้มแข็ง มันไม่ใช่แค่ความเข้มแข็งทางกายบางทีความเข้มแข็งทางกายจะไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่แต่มีความเข้มแข็งทางจิตใจนะอันนี้หละคือประโยชน์อย่างหนึ่งนะที่พวกเราน่าจะได้นะจากธรรมยัตรานะและถ้าว่าเราจะมีความภูมิใจนะที่เราได้มาถึงตรงนี้นะในวันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมควร ให้เราเราลึกอยู่เสมอนะว่าการเดินธรรมาตราเนี่ยนะสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ได้แค่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ถึงจุดหมายเท่านั้นนะที่สําคัญก็นนะคือว่าใจเนี่ยต้องถึงธรรมด้วยตัวถึงที่หมายนะแต่ว่าใจไม่ถึงธรรมนะมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะหรือว่าก็อาจจะเรียกว่าทุกฝีฟรีเหนื่อยฟรีฟรก็ได้ตัวถึงจุดหมายคือตรงนี้นะใจก็ถึงธรรม หมายความว่าอะไรก็หมายความว่านะได้เห็นคุณค่าแห่งธรรมมากขึ้นหรือว่าได้เกิดความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงนะเกี่ยวกับสุขทุกข์และเกี่ยวกับตัวเราเช่นถ้าเราอได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนไะอ้ความทุกข์ใจเนี่ยนะตัวการมันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะมันอยู่ที่ใจเรานะถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นนะมันก็ไม่ทุก แม้ว่าจะเจอความยากละบากอุปสรรคนแต่ที่เราทุกใจเมื่อมีอะไรมากระทบนะมันเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกนะหรือว่าเราคิดไม่เป็นนะหรือว่าเราไม่มีสติเราลืมตัวงั้นถ้าเราเห็นตรงนี้นะว่าความสุขเนี่ยนะหรือความทุกข์เนี่ยถ้าเป็นสุขกายหรือทุกข์กายก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสุขใจหรือทุกข์ใจแล้วเนี่ย สิ่งสําคัญเนี่ยมันก็คือที่ใจเราเองอันนี้ก็เป็นธรรมะอันนึงเป็นความจริงอันนึงที่ที่เราน่าจะได้ตระหนักนะและมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะก้าข้ามความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจได้บางครั้งเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวล้อมภายนอกเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงนิสัยพฤติกรรมของคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนร่วม ง, ง, ง, งานเจ้านายเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือว่า เพื่อนบ้านหรือแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกันแต่ว่าเราสามารถอย่างหนึ่งที่เราทําได้คือปรับจิตปรับใจนะหรือว่าอาให้เรากลับมาดูใจของเราแอาจจะพบว่ามันเป็นเพราะความคาดหวังที่เกินหรือสวนทางกอบความเป็นจริงหรือเป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกู หรือการหรือเป็นเพราะเรามองเห็นเขาแต่ในแง่ลบงั้นถ้าเรากลับมาทบทวนใคร์ครวนเนี่ยแล้วเราพบว่าอ๋อที่แท้นี่มันเป็นที่ใจเราเองตรงนี้แหละที่เราจะพบทางออกแม้ว่าสิ่งรอบตัวเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ว่าเราสามารถจะพบทางออกจากทุกได้นะด้วยการปรับหรือเปลี่ยนที่ใจของเราปล่อยวางให้มากขึ้นยึดติดถือมั่นให้น้อยลงเป็นต้นและจะมาคิดว่าความความจริงอย่างหนึ่งที่เราน่าจะได้ตระหนักนะ แล้วก็คิดว่าหลายคนก็คงประสบสัมผัส ด, ด้วยตัวอเองก็คือความสุขเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากความสบายเท่านั้นมันไม่ได้เกิดจากการเสพของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะเท่านั้นมันมีความสุขที่เกิดจากการทำด้วยความสุขนี่มันมีสองอย่างใหญ่ๆนะหนึ่งความสุขที่เกิดจากการเสพสองความสุขที่เกิดจากการทำอะ คนจํานวนมากเนี่ยคิดว่าอีกความสุขชนิดเดียวนะคือความสุขจากการเสพหรือจากการมีจากการครอบครองเพราะนั้น ก, ก็เลยดิ้นรนแสวงหาสิ่งเสพนะที่อร่อยนะหรือว่าที่มันทําทให้สบายหรือว่าต้องมีเยอะๆครอบครองมา ก, มากๆถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วมันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะคือความสุขที่เกิดจากการทํา อย่างเช่นเราทําสิ่งยากให้สําเร็จได้เราก็ภาคภูมิใจเราช่วยเหลือคนรอบข้างเราเสียสะละเราก็เกิดความปิติตหลายคนพบว่าทั้งน้าที่เหนื่อยทั้งน้าที่ลําบากนะแต่มีความสุขนะในระหว่างเดินธรรมยตราถามใจเราเองว่าสุขเพราะอะไรนะมันไม่ใช่สุขเพราะได้กินของอร่อยนะได้กินปอท่องโกะหรือว่าโรตนะีแต่ว่ามีความสุขที่มากไปกว่า น, นั้นนะ ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนรอบข้างความสุขที่ได้ทำสิ่งยากความสุขที่เกิดจากการทำกัดการเจริญสติทาสมาธิในระหว่างที่เดินนะช่วยอะไรคงควรจะพบนะความสงบในจิตใจท่านั่งที่เดินนะกลางแดดนะถูกอาทิตย์แผดเผาล้วคงจะมีประสบการณ์แบบนี้นะอยู่เป็นพักๆหรือว่าอย่างต่อนเนื่องก็ได้อันนั่นแหละคือความสุขที่เกิดจากการทา ท้าที่สิ่งที่มากระทบนะกายกระทบเอ่อกระทบตัวเรานี่มันู้วนแล้วแตเป็นของเอ่อที่เอ่อสร้างความเจ็บความปวดนะความร้อนความหนาวเป็นต้นแต่ว่าเราก็พบกับความสุขนะความสุขอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เราวางจิตวางใจได้ถูกต้องอีกความสุขอีกอย่างหนึ่งเกิดจากการที่เราได้ทําสิ่งดีทั้งสองอย่างนี้ก็อัตมาก็เรียกลมๆว่าความสุขที่เกิดจากการกระทํานะ หรือถือว่าเป็นการทํำกิจหรือทําจิตนะการทําจิตบางอย่างก็ทําให้เรามีความสุขถ้ามันเป็นความดีความช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นและบางอย่างมันก็เป็นการทําจิตนะอันนี้แ่ะคือคือธรรมะนะคือความจริงนะเกี่ยวกับสุขและทุกข์ที่เราเอาสามารถจะมองเห็นหรือเข้าถึงได้ของแบบนี้เนี่ยนะ พูดไปพูดเราก็ไม่เข้าใจนะแต่มาพูดนะหลายครั้งหลายคนก็ออกจะนึกไม่ออกมันเป็นอย่างไรต่อเมื่อเราได้เจอเองนะได้สัมผัสเองหรือว่าเราได้กลับมาใคร่ครวนแล้วก็เห็นเออใช่นะตรงนี้แหละนะที่มันจะทำให้เราเรียกว่าเข้าถึงธรรมแล้วนะคือเราเห็นความจริงนะมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นความรู้นะแต่ไม่ใช่เป็นความรู้ในทางโลกอย่างที่เราเข้าใจ มันเป็นความรู้ในทางธรรมหรือเป็นความรู้ในวิชาชีวิตในวิชาที่เราเรียนนะในโรงเรียนในมาเธอไรเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เราเห็นหรือมีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะแต่ว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะของวิชาชีวิตนะซึ่งถ้าเรามีถ้าเรารู้ถ้าเราหนักเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะประคองตนหรือรักษาจิตรักษาใจดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อันนี้คือความหมายหนึ่งนะของการที่อ่าทำไมรเรียกว่าใจถึงธรรมรวมทั้งการได้การที่ได้เข้าถึงหรือสัมผัสอับอนิสงฆ์แห่งธรรมอันเช่นเมื่อเราเจริญส ต, ตินะในระหว่างที่เดินเราทําสมาธิในระหว่างที่เดินแล้วเนี่ยเราพบความสงบเย็นนะนะขณะที่เดินนะเดินไปเพื่อรณรงค์ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมนะเพื่อประกอบ เพื่อไปกรอบกู้โลกนะกรอบกู้ธรรมชาติแต่ว่าถ้าใจเราเป็นทุกข์นะหงุดหงิดนะเหมือนก็ตกนรกเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่ายวไม่ค่อยยังทำได้ไม่ดีพอนะอย่าลืมนะที่เราสวดหรือว่าเรากล่าวคำภาวนาทุกวันนะตอนเช้าก่อนออกเดินทุกย่างก้าวในวันนี้เราจะเดินด้วยความสงบ อย่างมีสติเพื่อสันติสุขในใจเราและเพื่อเปิดใจรับรู้ทุกสุขของสรรพชีวิตนะเราจะเดินด้วยความสงบอย่างมีสติเพื่อสันติสุขในใจเรานะไอ้ถ้าเราเนี่ยเดินแล้วเนี่ยพราะผูสันติสุขในใจนะทั้งๆ้งที่นะแดดก็ร้อนทั้งๆ้ง ท, งที่ทางก็ไกลทั้งท้ง ท, งที่อากาศก็หนาวนะ ทั้งทางที่เท้าก็เมื่อยนะไอ้ น, นี่ก็เรียกว่าเรานะเข้าถึงแล้วนะอ น, นิสงของธรรมะเราได้รับประโยชน์แห่งธรรมะธรรมะในที่นี้คือสติคือสมาธินะคือปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยนะากจะเน้นว่านะไอการเดินธรรมยัตตราเนี่ยมันจะมีคุณค่ามีความหมายนะอย่างแท้จริงนะ ก็ต่อเมื่อเราได้อไม่เพียงแค่ตัวถึงที่หมายนะแต่ว่าใจถึงธรรมบางคนเนี่ยตัวเขาไม่ถึงที่หมายนะเพราะว่าเขากลับก่อนแต่ก็จะใจก็อาจจะถึงธรรมก็ได้นะในทุกย่างก้าวหรือในหลายๆก้าวที่เดินระหว่างทางตรงเนีนะ้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เราได้นะค่ายควรมากมากๆ แต่ว่าถ้าหากว่าตัวถึงที่หมายแล้วแต่ใจยังไม่ค่อยถึงทำเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็อ่ภาคเปลี่ยนต่อไปนะอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่อ่าอาตมาได้พูดไปเนี่ยนะบางอย่างก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวบางอย่างก็เป็นประสบการณ์จากผู้ร่วมเดินเนี่ยก็คงจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้ถ้าเราได้นอ้อมลองนาไปปฏิบัติเนี่ยก็คงจะได้เห็นและสักวันหนึ่งใจเราก็จะถึงทา นะที่ลึกซึ้งมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เทตามาพูดมาอพวกเราเนี่ยที่เดินมาถึงตรงนี้จุดนี้เนี่ยนะอย่างเทตามาได้พูดตั้งแต่แรก ว, ว่าหลายคนจะรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งสบายใจเนะส้นทางนะที่พาเรามาถึงจุดนี้เนี่ยนะมันพาเรามาสู่ที่สูงนะแล้วเราคงจะรู้สึกได้นะว่าเมื่อเราขึ้นมาถึงที่สูงเนี่ยนะ เรารู้สึกปลอดโปรง่งผ่อนคลายสบายใจการถึงที่สูงเนี่ยนะมันมีสูงได้สองมันมีสองระดับนะหรือมีสองมิตินะสูงทางกายแนละ้วหรือว่าสูงทางใจเพียงแค่เราตัวเราเนี่ยมาอยู่บนที่สูงคืออยู่บนยอดเขาหรือหน้าผาเนี่ยเราก็มีความสุข ป, ปันถ้าว่าจิตใจของเราเนี่ยได้ขึ้นสู่ที่สูงนะหรือได้ยกระดับให้สูงขึ้นเนี่ย มันจะมีความสุขได้อปานไหนนะการปฏิบัติธรรมมันสามารถจะช่วยทำให้จิตเราเนี่ยยกระดับนะสู่สภาวะที่สูงขึ้นได้การที่เรานะมันบาเพ็ญธรรมเช่นการรักษาศีลก็ไม่พอน ะ, เ ร, ะ เ, รมมรเราเจริญสมาธิเราภาวนาเกิดปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือนะ ที่ทำให้ใจเราเนี่ยยกระดับสู่สภาวะที่สูงขึ้นเรื่อยๆคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะปฏิสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไว้บนที่สูงบนยอดเขาเช่นพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็เพื่อให้คนเนี่ยได้นะเดินจได้ขึ้นไปสมัยก่อนนี่นะต้องเดินด้วยเท้าจริงๆไม่ว่าจะเป็นรอยสุดเทพไม่ว่าจะเป็นสรีปาธาที่ สีลังกาไม่ว่าจะเป็นเขาตักสังที่พูทานนะหรือว่ า, าแม้กระทั่งยอดเขาฟูจิเนี่ยพวกนี้ริ่มแต่เป็นที่จาริกแสวงบุญนะสิ่งสูงสุดที่เขาปริษสถาบข้างบนเนี่ยนะถ้าเป็นทางพุทธศาสนานเนี่ยมันเป็นตัวแทนของนิพพานนะ ได้ในการที่เราจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยนะต้องทําความเพียร น, นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเพียรทางกายนะแต่มันเป็นเรื่องการความสร้างความเพียรทางจิตใจด้วยการจะเข้าถึงธรรมเนี่ยนะธรรมะที่สูงสุดเนี่ยนะธรรมพุทธศาสนาเรียว่โลกุตระธรรมมันเป็นธรรมะที่ทําให้จิตใจเราเนี่ยนะอยู่เหนือโลกนะ อยู่เหนือโลกซึ่งก็อุปมาเมื่อคนที่เดินมาจนถึงยอดเขานะตัวนี้อยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือพื้นโลกแต่ว่าอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยของจิตนะที่ได้ย ก, ยกระดับจนอยู่ในภาวะที่เป็นโล ก, กุตระงั้นถ้าเราอยู่ถ้าจิตใจเราเนี่ยขึ้นมาถึงระดับนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่อิสระ จะเป็นภาวะที่เรียกว่าทุกเนี่ยนะอาจเืิอไม่ถึงหรือเรียกว่าอยู่เหนือทุกก็ได้ยังต้องจริงอยู่ยังต้องแก่ยังต้องเจ็บนะยังต้องพัดพราดสูญเสียยังต้องถูกต่อว่าด่าทอมีคนคมเหงคดเลงร้ายรวมทั้งยังต้องตายนะแต่ว่าไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่สามารถจะมาครอบงำจิตใจได้มันก็มีแต่ความทุกข์กาย แต่สภาวะที่เหนือโลกเนี่ยนะก็ว่าจิตเนี่ยมีปัญญานะจนกระทั่งสามารถที่จะอยู่เหนือโลกกระทำได้โลกกระทำก็คืออะไรนะมันก็มีแปดอย่างพวกเราคงคุ้นเคยได้ลาบเสริมลาบได้ยศเสริมยศสารเสรินินทาสุขและทุกข์แต่ชีวงคนเราเนี่ยนะมันก็มักจะถูกกระทำไปด้วย สภาวะแปดประการนี้นะเวลาได้ราบนก็มีความสุขแต่เวลาเสื่อมราบนี่ก็ทุกข์นะแต่บางครั้งเนี่ยอายการได้ราบเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทําให้เรามีความสุขจริงๆนะมันอาจจะกลับตามมาด้วยความทุกข์ก็ได้และถึงแม้ว่าจะไม่มีความทุกข์นะตามมาแต่เวลาลาบนั้นหายไปหมดไปมันก็ เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาอาชีพคนเราเนี่ยสุขทุกข์มันก็เพราะว่าหลงติดนะหลงวนอยู่ในโลกธรรมแปดและถ้าเราจะคิดว่าในฉั้นเจ้าแต่สุขอย่างเดียวไม่เอาทุกข์ชันเจ้าแต่ลาบอย่างเดียวชั้นไม่เอาเสริมลาบเนี่ยฉั้นเจ้าแต่ยศแต่ไม่ไม่เอาเสื่อมยศจะขอให้คนกดไลค์อย่างเดียวนะนะไอ้ที่ไม่กดไลค์ไม่เอานะหรือกด dislike ก็ไม่มีเป็นไปไม่ได้นะเมื่อมีกดไลค์ก็ต้องมี c น m m e n t นะ แม้ว่ามีแต่กดไลค์ไม่มีคอมเมนต์มันก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวนี้แค่ไม่กดไลค์นี่ก็ทุกแล้วนะเพราะว่าไปติดกับการที่มีไลคนะ์พออยากได้ไลค์เยอะๆพอเพื่อนไม่กดไลค์ให้ทุกแล้วต้องไปขอร้องให้เพื่อนไปช่วยกดไลค์ห้น่อยอ่อันนี้เพื่อมีลูกสาวเพื่อนเนี่ยนะก็ทําอย่างนี้แหละนะพอไม่ค่อยมีคนกดไลค์ให้เขาก็ไปไลค์บอกเพื่อให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยอันนี้ทุกนะเนี่ยนี่คือโลกธรํา มีคุณลุงคนหนึ่งนะแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะโอ้แดีใจมากเลยแกกระโดดโลดเต้นแล้วก็ถือไอใบอรัตเตอรี่เนี่ยไปที่ตลาดตะโกนประกาศกล้องเลยว่ากูถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วกูรวยแล้วกูรวยแล้วแกตะโกนเหมือนคนที่จะเรียกบ้าคลั่งเลยก็ได้นะและจะเป็นเพราะว่าช่วงที่แกกระโดดรถเต้นเนี่ย ในใจกองแกก็ จ, จะคิดว่าตอบไปนี้กูไม่จนแล้วต่อไปนี้นะเราก่อนความจนเราก่อนความทุกข์จู่ๆแกก็ฉีกลอตเตอรี่นั้นทิ้งเป็นชิ้นๆเลยในใจตอนนั้นา จ, จคิดว่ากูกำลังฉีกความทุกข์นะแต่ว่ามันลืมตัวเงี้ยมันดีใจจนลืมตัวมันก็ฉีกลอตเตอรี่พอรู้ตัวเข้ามาทำอะไรไปนะโอ้โหตกใจนะพยายามที่จะไปปฏิัติะไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยแต่มันไม่สําเร็จ บากว่าจากคนที่ดีใจนะสุดๆนะแกะเสียใจสุดๆเศร้าซึมล้มฟุบเลยนะเป็นลมไปเลยนะแล้วหลังจากนั้นแกก็กลายเป็นคนบ้านี่แหละนะคือตัวอย่างโลกธรรมแปดที่เรียกว่าชัดเจนมากคือพอได้รักกาดีใจได้ดีใจมากๆก็ลืมตัวบางคนลืมตัวนะขับรถนะแหกโค้งชนเสาลงคูหรือชนเสาไฟเพราะฝันหวานว่า เงิน20ล้านที่ได้จากรถตร้ยเจ้าไปซื้ออะไรบ้างนะหรื อ, อหรือว่าแฟนบอกรักแฟนบอกรักหรือว่าแฟนเนี่ยรับแต่งงานดีใจมากเลยโอ้ยนะขับรถด้วยความดีใจสุดๆนะลืมตัวเกิดอุบัติเหตุแลวพอได้รามนี่มันก็ลืมตัวนะและพอเสื่อมรามนี่ก็ทุกข์เลย เนี่ยช่วงของคนเราที่มันหลงวนอยู่ในโลกธรรมแปดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือดีใจแล้วก็เสียใจดีใจก็ลืมตัวเสียใจมันที่ก็หมดตัวนะจนเป็นบ้าก็มีหรือเป็นโรคประส า, าหรือวเป็นโรคซึมเศร้าแต่เมื่อตามที่จิตเราเนี่ยยกระดับนะอยู่เหนือโลกธรรมแปดให้ความทุกข์เนี่ยนะมันจะเข้ามาคร่องกับจิตใจไม่ได้ถึงเวลาสุขก็ไม่ได้สุขแบบหมดเนื้อหมดตัวนะเรียกว่าสุขแบบ สงบเย็นเนี่ยคือภาวะที่เป็นสุดยอดนะเป็นจุดสูงสุดของธรรมะนะซึ่งพวกเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเข้าถึงได้เนี่ยชีวิตจะมีแต่ความสงบเย็นความทุกข์เนี่ยมันจะแผ่พานก็เฉพาะกับร่างกายและกับทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่สามารถจะมาะครอบงําทิมแทงจิตใจได้เป็นชีวิตที่สงบเย็นอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการที่มีปัญญานะเห็นธรรมชาตนะิของโลกธรรมว่ามันเป็นอย่างนี้เองมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีพบก็มีพลาคมีเจอก็มีจากนะมีได้ก็มีเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลามีก็ไม่ทุกไม่ไม่ได้ดีใจมากนะถึงเวลาเสียไปก็เลยไม่ทุกนะเวลาพบก็ไม่ดีใจมากเพราะรู้ว่ามันก็ยังตามมาด้วยการพลาด มีราบก็ไม่ได้หลงตนเพราะรู้ว่าสักวันความเสริมลาบก็ปรากฏอันนี้มันเกิดจากปัญญานะที่เข้าใจความว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงอันนี้แหละที่เรียกว่านะเมื่อใดเมื่อใดใจเราเข้าถึงธรรมนะในระดับนี้เนี่ยจิตมันจะมีแต่ความสุขความสงบเย็นนะมันไม่มีจะไม่มีความยึดในสิ่งใดใดว่าเป็นเราเป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ได้ยึดว่า เป็นเราเป็นของเราแต่ก่อนนี้ก็ไปยึดว่าเนี่ยมันคือเราคือเราแต่ต่อพอมีปัญญาเห็นว่ามันก็เป็นแค่รูปกับนามแค่นั้นเองนะอย่างที่เราอย่างที่หลวงพ่อท่านเทศบ่อยๆนะในหลองที่เดินธรรมญาติตาเนี่ยถ้าเรามีปัญญามองเห็นจากเดิมที่เห็นเป็นเราเป็นเราเป็นเรามันก็เห็นเป็นรูปเป็นนามอันนี้เรียกว่าแยกรูปแยกนามนะหรือท่านใช้ว่าทะหลงมันไม่มีตัวเรานะไอความยึดว่าเป็นของเราก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้ความที่จะยึดติดถือมั่นอันจะเป็นที่หมายความทุกเวลาได้ลาบกา็ยึดแต่เป็นของกูเวลาเสริมลาบก็กูหมดกูหายมันก็ไม่เกิดขึ้นกับจิตใจดังั้นถ้าเราสามารถจะยกจิตนะมันมีแต่ธรรมะนะที่จะยกจิตของเราให้สูงขึ้นจนอยู่เหนือเหนือโลกเหนือโลกในที่ขึ้นืเหนือโลกธรรมเหนือสมมุติมันจะเป็นภาวะที่สุขอย่างยิ่ง ก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าเมื่อไม่ว่าเราจะมีหรือยึดถืออะไรเป็นจุดหมายเป็นความสำเร็จก็ตามก็อย่าให้นะมันเป็นความสำเร็จนะ mm hmm. เฉพาะในเรื่องโลกโลกนะแต่ว่าควรจะฝึกติของเรานะ mm hmm. เพื่อให้เข้าถึงธรรมะด้วยอย่างที่เรา เดินทางมาถึงจุดหมายแล้วเนี่ยอันนี้ดีแล้วนะแต่ว่าก็ให้ใจเราถึงทมก็ขอฝากอาไว้คำนี้ก็รอสมกับเวลาก็กราบาพรพร้อมกัน